ขาประเทศนาแผ่นที่76ระดับที่28โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่2พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่ายากรูปฏิบัติ ด, ดูเอง อ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบเดี๋ยวหลวงปู่หลวงตาจะพูดอะไรให้ฟังนานทีจะได้มาพบมาเจอลูกหลานบอกเป็นภาษาผู้ไทยก็แล้วกันเนาะภาษาผู้ไทยของหลวงปู่หลวงตาของสุเจ้านี่จากบ้านไปดดไปนาน่นนี่จากบ้านโดดนานก็เลยลืมลงกองกลางมีทั้งเล่ามีทั้งไทยมีทั้งผู้ไทยผสมผสานกัน ฟังๆแล้วก็มวนดีขึ้กันนะลูกหลานในฟังให้มันมวลในจะไปฟังให้ขวงหงวังตานอะฟังให้มันมวลน่นไปเออมียังลงตาบอกยังให้ฟังกับฟังเมื่อวานลงพอออกมาจากวัดฉันจังหันแล้วก็ออกมาประมาณชักแปดเก้าโมงนออกมาจากวัดพอออกมาเขามา ทำบุญทำบุญเจ้าคณะอำเภอเ อ, าอาดีตอดีตเจ้าคณะอำเภออำเภอบ้านผืออายุทอเดี๋ยวก็หลวงหลวงพ่อนี่แหละ เ, เพิ่นบทแต่น้อยคือเดี๋ยวนะี่เป็นลูกหลานของหลวงพุทธหลวงพเท ศ, เ, เ, ทศเทศลังสีบัดเนี่เพิ่นไปล้มในห้องน้ําแต่ว่าเพิ่นก็เป็นอำเภอพฤกอำเภพลาดมากเก้าแล้วล่ววะวา เป็นอัมพาตอัมพาตมาเก่าเราล้มเป็นล้มในห้องน้ําพอน้มห้องน้ำเลยก็อ้อมากอะลูกชิดก็ถามผมไปเป็นไรงพอว่าเป็นอย่างตัวบอเป็นอย่างหอกแต่ปวดหัวแดงปวดตาน่ะไปแล้วก็จัดอาหารให้ฉันฉันจังหันฉันคักสันแหน่หลิวสันเอ่สันสั่งสันสันซั่งสันลาวันไปพ่อกินฉันจังหันเรียบร้อย กินยาพ่อกินยาแล้วไปพักพอดไปพักก่อนนพ่อไปพักเท่นันะอาเจียนนห่วันะไปพอห่ะหาหาลังห่าแรงหนั้นคือมาไปมากเาเลยส่งโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลเขาไปเขาเป X ็นเอ็กซเลเบิงเลือดมันออกข้างในไหลไปออดหอดการสมองอาการนั๊กหมอก็เลยบอกวา พาก็พาก็ตายไม่พาก็ตายอคนว่าพาก็ตายเพราพาก็ตายก็จะไปพาให้เพือหล่ะเนาะไปเอากลับเพินก็เลยพัพกจีโรงพยาบาลทันไปห้พ่อเอดจากโรงพยาบาลเพิ่นก็เลยมรณาภาพอายุเพิ่นก็เจ็ดสิบปีเท้อกัเเจ็ดสิบเอ็ดปีจะจะเฮามาเนี่ยว่ะพันษาเพิ่นน้อยกวหลวงพอ่อพันษาหนึ่ง ประมาณ 49, สี่สิบเก้าพันศานะ่ยหลวงพอ่อห้าสิบเรได้ลู้หลนะน า, านเลยพันษาพระนะอายุเจ็ดสิบเอ็ดเฮาอายุเจ็ดสิบปีเต็มเมื่อวันที่ 20, ยี่สิบเจ็ดที่ลู้หลานไปงานของหลวงพ่อนะ่ะคนก็โอ้ล้นหลามงานวันเกิดเมื่อนั้นนะ่ะหลายอิเลีนะบกคาดคิดว่าคนสีหลายปานนั้นเป็นเลยยังมีคาดคิดเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเป็นวันจันทร์ กีบโอ๊เขาเคยมีมีการล่า ง, งานมาั้งลูกหลานมามาทางไกลมีแต่ลูกหลานแถวเคยๆมันก็ ค, คือคือสิมิหลายมั้งวันี่แล้วหมืดฟ้าโมดินข้นหลายคักวันเกิดของหลวงพ่อปีเนี่ยแต่ก็มีของมีธรรมะมีหนังสือแจกในงานอันนั้นก็คืองานเมื่อวันเกิดของหลวงพอ่อ แต่ในพอมางานเมื่อวานเนี่ยพอมาหลวงพอ่อเขาได้เตรียมทราบข่าวว่าเพื่นมรณาภาพเพราะว่าเป็นมู่พวกเพลินอยู่ในกุ้มเดียวกันอยู่เค่อเดียวคนละไปเพื่อนเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านผือหลวงพ่อพระยูนนายุ่ง <c oughs> ก็ไปมาหาสู้กิจในมลใหญ่ๆก็ไปมาหาปลาพบกันอยู่เรื่อยๆอยู่คนละไปคน <c oughs> มาก็เลยเห็นได้ข่าวเพื่นตายเลยก็เลยเอาพ้าไหมมา สิบไม้มั้งเมื่อวานเนี่ยมารวมงานเพลินแล้วก็จ้ตุกปัจจัยสองหมื่นเอามารวมงานนายเจ้าคณะอำเภอเนี่แหละมาพิจารณาดูแล้วโอ้มีแม้แต่ ญ, ญาติโยมได้ตายวะพระก็ตายเป็นแค่เดียวตัวนี้วะว ะ, ะมีแม้แต่ ญ, ญาติโยมตายแต่หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็ตายเป็นแค่กันตัวนี้ฮะวะ่ะ อ, อพอแล้วฮันแล้วก็นันทำบุญทำทานเสร็จแล้วกันสร้างล่าศัทาญาติโยมเออชอยเดี๋ยวเบิง่งเด้อเมื่อเลิกสิเผาแล้ววันที่เซฟผนว่าเออวันกันพุงพ้อมีเจ็บมีไข่มีป่วยกันจะมาร้วมงานเด้อแต่หลวงพ่อไปธุระก่อนไปผาน้ำย้อยเหมือ น, นี่วะ <c oughs> พอแล้วกันนางรถจากอำเภอบ้านผือเออมาทั้งพิรามาทั้งคอนแก่นมาผาน้ำย้อย มาจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าทางคณะสงฆ์ผานำน้อยลูกศิษย์หลวงปู่ย่า่หลวงปู่ศีเฮ้าเนี่ยเพื่อนิมนต์คูบาอาจารย์ไปนิมนต์วัดหลวงพอ่อเป็นนิมนต์หลวงพอ่อเพ้่มาแสดงธรรมไอ้มาเทศหลวงพ่อก็บอกเลยวันเกิดของหลวงพ่อกขา็วันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนหน้านี้ก็ได้จัดคนเข้ามาเกี่ยวข้องกันเมื่อยพอแห้งเลยจะเพิไปอยู่บ่อ โอ้ได้เตรียมเพื่อหลวงพ่อไปพ่อแห้งเราท่นกนารทวารไม่ไปกัดเดียวกับที่จะหาผู้เลิศมมาเทศอีกมาเฮาก็เลยเออเอาเอา่มามย์ทางมมยกับ ไ, ไป่ะไอ่พ่อไปพ่อมาเมื่อวานหนึ่งสี่สิบโมงกว่าเลยลูกหลานเลยมามาจากนาคําน้อยมาหาผ่านน้ําย้อยไอ่พ่อมาแล้วก็มาพักแล้วก็เมื่อคืนนี้ประมาณถุบหนึงแต่หลวงพ่อก็ได้เอาหนังสือมาแจ้ง ในงานของเพ้นคือเดี๋ยวแจกพระสงฆ์เยมพี่สมกําังสือแจกคณะสัทญายาิโยมที่มาฟังเทศเออลุกหลานสัทญายาิโยมเ้อะคันผู้เล่าฟังเทศของหลวงพ่อแล้วไม่จุใจเอออยากจะฟังอีเรื่องว่าฟังหลวงพ่อว้อนี่เออฟังโดยแล้วเออไม่เห้าเจอเออมีเหาเจอแล้วก็เพิบฟังเทศ ให้ฟังเอ็มพี่สามของหลวงพ่อต่ออีกอะไรก็เลยแจกเอมพี่สาเมื่อคืนนี่ยหลวงพ่อก็จะแดงทาเมื่อคืนนี่ยกับปอมาณสักรวมกันแล้วกับปอมาณชั่วโมงนึงแห ะ, เ, ะเพราะว่าอันดับแรกอธิบายเรื่องศินฮาอย่างที่พวกเราพวกเข้าทั้งหลายรับสินฮาเมื่อกี้นี่แหล ะ, ะสินฮาเนี่ยเป็นศินคุ้มคลองโลกเป็นสินที่ทําให้โลกล้มเย็นเป็นซกขันพลเลือมีสินฮาขนชุ่มช่อนใดมีศินฮา ชุมชนนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ระแวงแข่งใจกันอยู่ด้วยกันด้วยความล้มเหลวเป็นสุขคือหนไม่คิดฆ่ากัน 2. ไม่คิดขโมยกันสาไม่คิดละลาบละลวงสามีภรรยาหลวงละเมิดสามีภรรยาซึ่งกันและกันขอที่4บอขี่ตัวกันขอที่หาบอกินมีกินเล่าเมาโซลาขาดสเต๊ คนคาดจิตมันวอลเลอกับวอลใดเลยเอสเลอก็เอสใ ด, ดเพราะคนคาดชติเพราะฉะนั้นจิมมีกินเล่าขันคนมีสินหาทางคาคอเน้แล้วชุ่มชนกลุ่มนั้นก็มีอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีแต่ความล้มเย็นเป็นโชคนะั้นลุกหลานเนะ้ออันนี้หลวงพ่ออธิบายเรื่องสินหาจากนั้นก็ปานลบเรื่องงานงานเป็นวันงานวันบูรพาจาร์บูรพาจาร์ก็คือ เป็นอาจารย์ของพวกเฮาทางหลายบุรพาอาจารย์ขี้แรกก็คือพ่อแม่พ่อแม่เนี่เป็นบุรพาอาจารย์เนอะลูกหลานคณะชาติไยญาติโยมท้งหลายเนอะพ่อแม่เนี่เป็นเป็นอาจารย์คนคนแรกเป็นอาจารย์คนแรกสอนบุตรธิดาสอนลูสายลูกชายลูกสาวของเจ้าของออพอลูกเกิดเกิดขึ้นมาแล้วเอากินนมเน่นี่ยนอะกินข้าวเ น, นี่เนะี่ ขับถ่ายเนี่ยนเน้อนอนเนี่ยเน้ออาบน้ำเนี่นเน้ <c oughs> พอพราแม้สีสอนก้อนผู้อื่นท้างมัดในระหว่าเป็นบุพพาจาร์เป็นอาจารย์คอนคนแรกของบุตรธิดาบุตรหญิงบุตรชายแต่ว่าที่เข้าทําบุญมา น, นี่ยทําบุญถึงบุบรพาจารย์คือเราจะนึกถึงหลวงปู่ศรีมหาวีโลหลวงปู่สีของเข้านี่พวกลูกหลานทั้งหลาย ที่เขามาเรียนเขามาศึกษากเขาลงผู้ศรี เ, รนเนี่ยลงผู้ศรีสืบสีสอนเพื่อเพื่อรักษาศีลเดวนี้เนอะไหวพระสวดมนต์เดีวนี้เนอะภาวนาเดี๋ยวนี้เนอะลงผู้ศรีพันธิสอนเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้กับพวกเฮาอันนี้เรียเป็นบุรพาจารย์ไฝ่ธรรมะอันนี้พอแม้ของเฮาเนี่ยเป็นบุรพาจารย์ผู้เลี้ยงอาหารให้อาหารหรือว่า เลียงศึกษาเบื้องต้นการเป็นอยู่การข้องเชพ้อแต่หลวงปู่สีหลวงปู่ลาเนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นอาจารย์สอนเฮ า, าหูจักศีลหูจักธรรมหูจักสิ่งควรมุขควรหูจักาบาปหูจักบุญหูจักขุนหูจักโทษก็หูจักนรกสวรรค์ให้ปฏิบัติตนจังใดจึงจะเหมาะสมเป็นธรรมจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพาน อันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเฮาเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์อันนี้กับอันเนึงนนเน้อในหลวงพ่อในวันเทศเมื่อคืนนี่ให้คณะสัาญญาตยาโยมผ่าน้้ำย้อยนะเทศยอยู่ในเจดีใหญ่เลยนะเจดีใหญ่ผ่าน้้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ก็พาะกลายนะเกือบสา0ร้อยนในเมื่อคืนนี่แต่สัาญญาตยาโยมก็เบิ่งกับ ผู้มากกับมีหลายปเดิมเมื่อวันเมื่อวานวา น, นี่ก็หลายร้อยอยู่เพราะเจดีย์ใหญ่เกือบเขิเจดีย์พนอดอยู่ทางในนะเนี่ยแหละหลวงพ่อพ่อเทศเรียบร้อยแล้วก็เออเออคงจมว่านอนในในผาน้ําย้อยเด้อรุ่หลานเนอ ว, วะ่ะมันมากเควัดคู่บาชลาดล่ะอันนี้คมคําซอยหลวงพ่อเคยมาพักที่นี่กัก้อนนาเด็กกับบอกคู่บา่าพนเบบ่อนัอ่งหลวงหลวงพ่อสิมาพักอยู่ ผาน้ำย้อยเนอะก้อนที่มาพักผาน้ำย้อยก็เป็นห่วงเรื่องเนี่ยแหละทางครูบาอาจารย์โรงเรียนหนองสูงพิทยาคมเนี่ย เ, เขาไปหาหลวงพ่อแต่ปุ๊ดห้าหกปีเขาหลังนะอ า, อาจารย์หลวงพ่อก็จาซื้อพันไมได้อาจารย์ไอ้ลูกขวง เ, าเนะบานอน่ะบ้านเบานิร์ดบ้านแหว่งแต่ก่อนเลยบ้านเย็นหมานะเอออันั่นแหละ แต่ตอนน้อยสมัยก่อนนะคู่บานเย็นของหัวทอคำปันนี่ยเลยหลวงพ่อเนี่ยเป็นคู่บานไปบินทบาทเป็นเน่นตามหลังหลวงปู่ลานเนียเอยขันมือเลยคูบานเย็นตัวน้อยๆไม่ได้เสื้อบานเนี่ยร้อ ง, องห่มร้องไห้เราบรรลอนไป เ, เสื้อบานมีทันเราไป <c oughs> นี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็ยุคผู้จักอก็หลวงปู่ลานแต่สมัยเป็นเน่นจะเป็นคู่บาอันนี้เป็นคูบานเย็นนั่นก็เพิ่นไปปลาโลบเลือลเล้องนี่แหละเลี้ยง หลงหลงเลี้ยงเด็กไงเลี้ยงเด็กเกิดขึ้นหลงเลี้ยงอาหารของเด็กน้อยนักเรียนโรงเรียนหนองสูงพิทยาคมเออหลวงพ่อก็มาเบิง้งเท่านงล้แลแหละวราะพอมาเบิง้งโอ้จะต้องได้ใช้เงินมากอยู่งกว่ามาในหลวงพ่อก็มีมันได้ใช้เงินทังอุดร <c oughs> ได้สร้าง <c oughs> ตึกหนีไฟให้กับโรงพยาบาลอุดรน่ะ งบทั้งแปดสิบกว่าล้านนะเผอิญจะเข้าเก้าสิบล้านสัวรสิแล้วใดและก็จ้อยวัดแถบๆนั่นแน่หลวงพ่อก็เลยยังฟังๆอยู่เมื่อเข้า ว, วันวันเกิดหลวงพ่อเนี่ยทั้งพอออทั้งคู่บาจาย์ก็เข้าไปไปกับเยืนแปลนแปลนโรงอาหารลวงเล้งโรงโรงเลี้ยงเดกกก็กต่อดำไป เด็กนักเรียนเวลากินข้าวเที่ยงมันไม่ได้มองอยู่นักเรียนมันหลายจักจะไปกินข้าวสนอยู่มองเลยเวลาฝนตกหลวงพ่อก็น่าเห็นเจอคือเดี๋ยวพอหลวงพ่อก่อนหน้านี้เกิดได้รวมสร้างโล่งทานโลงทานอาหารให้กับโรงพยาบาลไอลงเรียนเอ่อน้ํำสมพิทยาคม เ, เสร็จไปแล้วหลังนั้นอ่ะกับมดเงินไปหลายเงนเินเติบอยู่ ซอยๆ ล, ล้มเดียวหลายๆคนน่ะแต่มากข้าวเน่กับพวกครูบาจานทั้งพอออเพื่นก็ บ, บอกว่ า, ามีเงินอยู่ก่อนอยู่แต่ยังขาดอยู่ประมาณสักถามเมืม่อวานนี้ประมาณล้านหาไอาประมาณล้านหาคือสีพ่อหลวงพ่อเอาเขาเออเอาเท า, าว่ามันสีพ่อเดี๋ยวมืออื่ น, นเน้าว่ามืออื่นตอนเช้าที่ทําคกสะพุงพอหลวงพ่อสันจังหันเซ็ตแล้วหลวงพ่ออาจจะ นั่งรถมาแวะจักหน่อยแล้วก็จียงจิกับวัดแต่ขั้นมาพบมืันนี้แหละกับคู่บาอาจารย์มาพบวันนี้แหละหลวงพ่อาคิดว่าจะบอกกล่าวเอ อ, เ อ, อที่อาคารโงเลี้ยงอาหารเด็กโรงเรียนนามสมโรงเรียนนน้องสูงพิทยาคมเนี่ยขันวัดจีเอ็ดงนมันขาดเหลือเพียงล้านห้าแสนไ หลวงพ่อก็บอกว่าเออหลวงพ่อจะรับเพเดอวะหลวงพ่อจะรับเป็นเป็นเจ้าภาพช่วยเพื่อให้ลูกหลานได้รับความสะดวกสบายในการทานอาหารหลวงพ่อจะรับแต่บัตคันมันมันแพงกว่านั้นไปอีกนก็ยังค่อยว้าเดี๋ยวอิกวอกกันอีกด้วยหลักเหตุผลหมดไป อแต่ว่าหลวงพ่อถามพอออเมื่อวานนี่ยเพื่นว่าประมาณชักลัดหาคือสิพอจะมา่หลวงพ่อเหรอเออเอาเพราะนั้นหลวงพ่อมามื่อนี้เกิดมาแจ้งข่าวเฮออ์โลงเรียนลงสูงเน้อกูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ในแจ้งบอกข่าวเพราะพ่อพออ๋อเพื่นก็บอกว่าเพื่นเดี๋ยวนี้เพื่นมีประชุมอยู่ที่นครพนมทิ่ม่ได้มาประชุมแต่ผมสิบาะคูบาอาจารย์มาหาคูบาอาจารย์รับหูรับทราบ หลวงพ่อก็เออได้ไปงั น, นะหลวงพ่อจะได้มาเข้านี่ก็มาเรื่องนี้แต่เรื่องนึงที่ที่มาชันผ่านน้ำมาที่ผ่าน้ําย้อยตามไม่จริงกับสันที่ผ่าน้ําย้อยกับกัก๊บวัดเลยก็ได้เหมือนนี้นะอแต่มาเห็นมาคิดเบล่งเรื่องนี้มาทั้งทีตีรถมายาวทั้งทีกันมาจะให้ฟอลในหลายแนวเออมันได้ประโยชน์หลายอย่างกันได้มาออพบ มาอยู่วัดของคูบาฉลาดนี่น่ะที่นิคมคำซอยกว่านั้นขอบอกกล่าวให้คณะทัธา ญ, ญาตจโ่มลูกหลานทุกคูทุกคนได้รับทราบนะแล้วก็เมื่อนี้พอฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อก็จะได้กับวัดเลยละพราะว่าเมื่อนี้ประมาณทักบ่ายสามโมงบ่าทาั้งนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลายัยเกษตรเกษตร สกลนครกระต่ายพิศิงกเกษตรกรุงเทพคนละ เ, เพิ่นมาตั้งมหาวิทยาลัายอยู่กเกษตรสกลนคร เ, เพิ่งส้มลมพุทธทีเาไปหาหลวงพ่อประมาณจากักสี่ห้าสิบคนจะไป น, นอนค้างอยู่ที่วัดแต่หลวงพ่อกรบอกบพาเน้นชัดท่ายัดงบึ ง, บงที่พักผ้าใส่เฮลุหหลานเนดะ้อเดี๋ยวตอนไปใบคันตอนคํำๆ้ำคนละเดี๋ยวหลวงพ่อจะกลับมา ขันรถมีลงค้างถนนจะก็คงจะไปถึงจะมัง่งนั่นแหละอันนี้แหละพาลาาของหลวงพ่อนะลูกหลานแต่ว่าถึงนนเนอเลยก็ตามได้มาพบลูกพบหลานน่นๆที่ได้มาเห็นพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนถึงนนเนอเก็จะจะตั้งใจในความประมาทเนอะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เบิ่งนุปูญะตายง่ายของพวกเฮา บอลั า, างนี้ทางนั้นก็ไม่ได้เอาความตายมาคู่กันด้เพียงแต่เอามาเตือนอามาเวา่ามาเตือนให้กันฟังอพวกเข้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปเด้กลูกหลานเนะนาะคานว่าพวกเข้าละเลึกถึงความตายนีอ่อยละเลึกถึงความตายสบายนักหากรักหักหลงในสงสารคัานาว่าพวกเข้าไประลึกถึงความตายเนี่ยมันเจอมันใหญ่แล้วมันฮึ่บเขิบนะเอย มันจะเบียดเปลี่ยนมันจะคาผู้อื่นมันจะคิดว่าตัวเองที่ไปตายวันนั้ไปมาหาแล้วทุกคนก็นตายเมื่อทุกคนเพราะฉะนั้นเสิ่งแน ว, แนวเล่ยที่เป็นคุณงามความดีแนวเล่ยที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อพวกกลุ่มของเฮ้ากับธรรสิ่งนั้นแหละให้ดีที่สดุดอย่างที่หลวงพ่อนี่แหละเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามการศึกษาโรงเรียนโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลลงพาะก่อซ้อยไม่ใช่น้อยขึ้นกันถ้าพูดให้ฟังแล้วก็มีมากทีเดียว เ, เดี๋ยวนี้กําลังโรงพยาบาลศูนย์อุดอรเนี่ย น, นะชัทาญญา่ายาดโยมถวายพระใจมาลงพาะก่อนเออเอาทางให้ทางโรงพยาบาลเลือกเอาได้เท่าเงิน 1, 07, งหนึ่งล้านเจ็ดแสลงพาะเธอลยเนึ่งล้านเจ็ดแสให้เลือกเอาได้ แต่ว่าทางเครื่องมือแพทย์เขาเสนอมาเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดด้วยความถี่สูงห้ามเลือดได้พวกหมอพวกนึงเพิ่งขอเพิ่งจะได้เครื่องมือตัวนี้แต่ทังผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลอยากจะได้โคมไฟโคมไฟผ่าตัดมีความจําเป็นแต่หลวงพ่อก็บอกเออเอาเือทางโรงพยาบาลปรึกษาเดี๋ยวเดอ้อขันโต๊ปรึกษาตกลงแล้วที่เอาแนวเล่อเอขาจะค่อยมาเบาะหลวงพ่อ หลวงพ่อก็จะเอาเงินเถอโอนเงินเถอะเอใจเฮไกใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อนที่จะเฮพูเล่ก็ตามอก่อนที่จะเฮอมองเล่ก็ตามเฮมันเกิดประโยชน์อโมเมนต์ที่เขาต้องการเ น, นี น, น, นึกเฮาเผื่อเนีนึกหลวงพ่อสิมีเอ็กเน่ยนั้นเนิรลูกหลานเนิร์ดอย่างสมมุติว่าเนี่ยอลูกหลานเนี่ยปวดฟันเหมืนกัน โอ้ยผู้ขาปวดแคลไล่หน่อเข้าไปไปตัดแว่นตาเธอหน่ะมันก็มีเือได้เมนบอ่ะเออเขาปวดแควเขาก็ต้องเอ็ดแคลให้เขาก่อนเออเมื่อเขาปวดตาเขาก็ต้องเอ็ดตาให้เขาก่อนเออยังคอยเอ็ดแคลเขาที่หลังหนอันนี้ก็คือเดี่ยวนั่นแหละค่ะข้านะว่าทางโรงพยาบาลต้องการยั้งจำเป็นยั้งก็ต้องเอ็ดเอเรื่องนั้นก่อนให้เขาเมื่อเขาได้เรื่องนั้นแล้วเขาก็ สบายใจเพราะว่าให้ถูกจดุดถูกความประสงค์ฮ ะ, ะหลวงพอ่อนี่สงเคราะห์คูคนหลวงพ่อจะคิดทีดีก่อนเลยเว้นเสียแต่เรื่องนั้นออกนอกลู่นอกทางเป็นการฟุม่มเฟือย เ, เป็นการฟุม่มเฟือยอันนั้นหลวงพ่อจึงยังไม่ทันเหรอเพราะอะไเพราะมันเกินความจําเป็นมันมันว่ท่านจําเป็นสิ่งเหรอสิ่งสิ่งที่จําเป็นก้อน การสิ่งที่มาจำไม่จําเป็นก็เอาไว้ก่อนพอมเอ็ดไปแล้วก็มันไม่ได้ส่งเสริเมื่อเข้าได้รับความล้มเย็นเป็นสุขมีแต่เบิง่งให้มันงามซื่อนะนะเอ็ดเอาไปงามซือแม้นยุอาหารตาอบางสิ่งถ้ามันเงินถ้ามันเงินเหลือก็เออเอาก็ควรจะเอ็ดนะดแต่ว่าควรอาหารที่จําเป็นชีวิตประจําวันที่จําเป็นเข้าควรจะเฮือสิ่งนั้นก่อน อัน น, นีะคือการบริหารแลการดูแลของหลวงพนะง่อนะการสงเคราะห์นะแล้วก็จะไปเิาะอยู่อเอย์ก็ตามหลวงพ่อเน้นเลื้องอตายแล้วไม่สูญนะูกหลานเนะ้อตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่เจอของพวกเฮาเนนะ้อให้รักษาศีลภาวนาเนะ้อตายแล้วมีสูญเนะ้อ อันนี้พอแม่ครูบาอาจารย์ที่เขาหลักเขรลนับถือเลื่อมใสตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่จามหลวงปู่ลาหลวงปู่กงแก้วแถวๆนี่แม้นมัดหลวงปู่ข่ำที่เปิ้ลแนะนําสั่งสอนเปินลนั่งภาวนาเบอกแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกมาถามผู้ค้าผู้ค้าก็จะตอบขึ้นกันตายแล้วมีสูญนะลูกหลานเนยอยากจะหูจักให้นังภาวนาเนาะเบ้อข่เดียว ขันธิคิดเดาเอาบอบขัคาดคัเนเอาบอบประมาณการเอาบอบเอออันนั้นมีหูจักทั้งเมื่อผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นในปฏิบัติเนอขันจะกหูจักให้นั่งภาวนาพอนั n งภาวนาพุทโธพุทโธจิตใจรวมพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจะหูได้ด้วยเจ้าของเองเออ ใจกับกายกายกับใจนี่มั่นเป็นคนละแนวกันเป็นคนละอันกันตัวนี่เอาจูงหัจักหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบว่าร้างกายคือกันกับรถนั้นะรูหลานเนะ้อจิตใจคือกันกับคนขับรถเนะ้อเป็นแนวนั้นละ่ะร้างกายนี่ขั้นจิตใจจิตเจอของเฮาห่อมามาบริหารเข้ามาขับรถรถคันนี้ก็ไปได้ขั้นเจอของเฮาเอ่อไปร่างกายก็โคโล่คือร้างกายมันตาย อย่างที่เส้นเลือดในสมองมันแตกหัวใจมันโอดทังที่เอถึงจะโชเฟอดีประเดก็ไปขับตึกขับรถนะขั้นสายพานมันรุดละอน้ํามันมันมีไรเข้าไปในท่อละน้าสายน้ํามันมันมันลดละสิ่งจะเก้งประเดี๋ยก็เก้งแต่เขาไปขับรถมันก็ขับมีไปพราะอะไรมันทังที่รถมันก็มีอยู่แต่ว่าโซเพอะเป็นนึกยังขับมีไปเพราะอะไรพอรถมันตาย นี่คือเดียวนะ่ะเจอของเข้าก็คือกันครับร้างกายของเข้าเนี่ยคือกันครับเอรถเนี่ยนะจิตเจอของเข้าก็คือกันครับคนขับรถ่เอเมื่อขับรถขยับไปขยับมากขยับมาขยับไปขับไม่ได้แล้วก็คนขับรถเปิดนี้แล้วบาดเนี่อรอ้างกายเนี่ยมันก็ตายแล้วท่านนี่เพราะว่าจิตเจอเออจะล้างไปเด็ดๆไปในโซเฟอร์ไปครับไปเฉลิ่ยระบาดเนี่นี่แหละ ตอนที่เฮาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลโซ่เฟอ้ออดจะลดคันนั้นแหละบ้านเนีเอ่อไม่ได้เงินในกระเป๋าไม่ได้ทุนเตรียมทุนไว้ก่อนนะอันนั้นนะน้าคิดเนะ่ยเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกครูทุกคนนะอันนี้นคือแนวทางพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญเฮอนั่งภาวนาแต่นั่งภาว น, า, า, น, า, นากับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไม่เป็นอย่างอื่นนะเพราะแม้กูบ่ายจานพวกเขาเพิ่นพิสูจน์มาแล้วเห็นมาแล้วรู้มาแล้ว เปิ่อจะได้แนะ น, นำสร้างสอนพวกลูกพวกลาดตอนนี้ไปตั้งเจอละพร น, นะบันนี้นะอุทิศทส่วนกุศลนะอย่างท่ายกกล่าวคำถวายท่านนะั่นกล่าวคาถวายท่านอุทิศกุศลกุศลให้พ่อแม่ปุยยะตายง่ายบงสาขนา ญ, ญดนาดญาวิมิตรหายเจ้ากรรมในเวณตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขด้วยแล้วก็มีความสุขจริงๆขึ้นไปเมื่อนี้เป็นวัน พระใหญ่เป็นวันเดือนห้าเพ่นเป็นวันเพ่นพวกเขาได้มาทําบุญที่ทากุกสะพุงแห่งนี้เมื่อพระ ส, สงฆ์อนุโมทนาหน้าเฮือพ่อหน่ยพวกเขาอุทิศส่วนกุศลถึงภูมิอุปกระคุณสำหรับพวกเขาเอลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนอ